129. ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอบัตทุกกฎด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีผู้ครอบครองสําสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาเกิน1มาศกหรือน้อยกว่า5มาศกี 4. มีทยจิตปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องต้องอบัตทุกกฎ ทำให้ไหวต้องอบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตทุกกฎ